เทศอบรมพระวันที่15ธันวาคม2521นี่ควรเก็บไว้เฉพาะเทศการที่เข้ามาสมาคมกับหมู่คณะที่ทำให้เย็นกายเย็นใจนั้นหายากการเคารพ ก, กันตามอาวุโสพันเตนั้นสำคัญมากสำหรับพระเรานักปฏิบัติอย่าอ่อนข้อต่อกิเลสพระพุทธเจ้าไม่พาอ่อนข้อ แต่ทรงเป็นนักต่อสู้การ น, นี้พูดเกี่ยวข้องกับในหลวงด้วยพูดเรื่องเงินสแสวงหาเงินมากกว่าสแสวงหาธรรมใจจึงยุ่งกับเงินยิ่งกว่าธรรมการ น, นี้ห้ามอัดให้ใครๆเพราะไม่เหมาะสมไม่ให้คารวะฟังด้วยอพอไปหามแต่ครอาจารย์แล้วแม่ทราบเป็นยังไงล่ะ ก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันที่เด่นมันออกรั่วลายใชู้มแล้สติตะทางไม่ทันเดินโยกอมเป็นเรื่องเดินคิดเดินจุ่ไปหมดอืนี่แหละเป็นครูสอนอย่างหนึ่งนี่นำมาเล่าให้ผมรู้ได้เความที่ไม่มีหลักใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราจะฝืนไปทั้งๆที่มีหลักใจและทั้งๆที่มันแสดงความจะล่มเหลวให้เราเห็นอยู่นั่นแหละเราจะ ปล่อยไปตามนั้นต้องล้มเดียวแน่ๆเราต้องรีบชักมือเหยียดเอามาคอพับกลับเข้ามาฮึรดตกกังวลก็หมดด้วยอยากให้มีความยั่งป็นความสะดวกสบายเรื่องความสะดวกสบายก็ต้องมีผู้นาพาเดินตัวอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสำนักนั้นถสำนักที่สำนักไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละฮึ แทนที่จะเป็นเครื่องจูงจิตใจเราให้มีความขยิมยิ่งย่องมันไม่เป็นอย่างนั้นตามองเห็นเรื่องมันก็เอือมหูได้ยิน ม, มันก็เอืองอะไรอะไรมันทำให้เอืองไปหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องชักจูงมันได้อย่างไงมันเป็นเครื่องทําลายกันทางตาทาง ห, งหงูทางความสัมผัสอะไรกบุญเกี่ยวข้องมีกับเพื่อนการปฏิบัติไม่ตรงตามน่องตามรอยเลยการพูดการจะหาเหตุหาผลหาหลักทําไม่ได้ ความตั้ง อ, อตัใจในการประกอบความเพีย ง, ยงก็ไม่หิทางยังกลมไม่ได้มองหิงเลยสำ น, นักอนั้นเมื่อเราไปได้วยความตั้งใจแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ไตั้งหนีมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากผู้ศึกษาใจเราพูดปฏิบัติจริงๆหงุมนำตาต่อทันด้านปฏิบัติอันมีน้อยเต็มทีอยู่แลน อาจจะออกมาหาทิเวศอยู่โดยลําพังสะดวกสบายาที่ด้านทิมก็จะไปลําพังคนเดียวทั้งๆ้งที่ทใจิตใจหายัางห า, หาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี้มันก็ไม่พ้อมที่จะเสื่อมลงไปโดยลำดับทั้งๆ้งที่ไม่มีอะไรจะริญแต่มันก็จะเสื่อมได้ทําไมบางนั้นไม่มีอะไรจะเจริญมันจเสื่อมได้เพื่อดักจิตอธรรมดานี่มันไม่จเจริญกริงแต่มันจะต่ํา้มันยิ่งกว่านี้กูไม่ไง เกิการมุความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเมื่ออยู่ที่นี่หรืออยู่อย่างนี้จิตใจนี้เจริญรุ่งรืองขึ้นไปแต่ก็ไม่เกิดความเดือดร้อนพอสายฝนฝนอุบายการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวขึ้นกันพายุพอพยุกันได้ออกนี้พอออกจากปล้วมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเครื่องพยุมันก็ยิ่งค่อยจมลงไปจมลงไปมีมุมจมไปจนทีแล้วมันฟื้นไม่ขึ้นนะ ตกลมก็ลาดไปหนีอย่างทำลีพาไปหนังก็ดีมีผู้พาไปผู้เป็นหลักเตือนเตือนเอ๊ะ hmm. mm hmm. มึงไม่มีจะ ท, ทำไง mm hmm. ผมก็คิ ด, ด, ด, ดหน้าคิดหลังขหมยกบเงินอยากจะให้กบความได้บำเพ็ญภาวนานใาน้สวดสบายนผู้ยดผู้เกาะไปผม mm hmm. ก็มองไม่เห็น อยู่ๆจะทานที่มันเรียวนันอาจจะชินชาตอนสถานที่ไปบรรยากาศจ้ว่างไหพคมันจะใเป็นเปลี่ยนบรรยากาศมันจะเปลี่ย น, รรยาานเป็ยนรร ย, ายาพิษยาภายก็มาเผาอ่อนอยู่ดีคิดหะายเนี่ยหลายทางเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันรู้เรื่องเหล่า น, นี้ เอาสมคว น, นแล้วเอาเรื่องที่จะของรู้นั่นแหะมาสอนหมุดเพื่อนในที่จากวิธีปฏิบัติในทางธรรมดาสถานที่หนี้มันก็ไม่มีการไม่มีความมุ่นวายอะไรนอจากคนตอนเช้ามนก็จําเป็นมาเองมาทำอะไรเพราะมันเป็นหลักอยู่แล้วหนี่วัดนี่เป็นหลักงันจะพูดว่ามันเป็นจุดขใจประช า, าชนในแถวนี้ก็ถูกแล้วเพียงแแถวนี้ที่อื่นๆก็มันก็มาอย่างที่เราเห็นนั่น ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเขาเขาร้นับถือมันก็ต้องเป็นมาเองอย่างนี้แล้วไม่เลยฮะเพื่อน้อมาปกติแล้วไม่อยากยุ่งนิสัยขอเราก็ไม่ชอบอยุ่งอยู่แล้วเราอยู่โดยนําพังเราทับอายการที่พระพุทธเจ้ารงจากขา้าพนรมนเราไปสู่สถานที่ใดไม่ต้พบผู้พบคนปุตตะจารย์สมณะอะไรกับใคร แม้ช่วงระยะอะไร <c oughs> การบินตอบพืออะไรเปนช่วงรย ะ, ะยะย่อยย่นออกมาจึงทำเถึงช่วงช่วงระยะทาปะัะจุกิจอุจราหกรรมเท่านั้นเราก็สบายแต่เป็นพุทธวิสัยจะทอานั้นมันก็ทำไม่ได้พระองค์ก็สรงสราบ มายถึงความส ะ, สะดวกสบายในพระธาตุพระขันธ์ของพระองค์หนีเล่าก็ยอมแล้วทั้งที่ความเป็นศาสดาไม่ก็เป็นเป็นภูมิศาสดาเป็นครูของเทวดามุขขลาดทั้งสามโลกฐานพระองค์ก็รักสั่งอย่างนั้นให้แก่ยมสั่งทำตามพุทธวิสัยที่ทำ เรามีแจกคนมาก็ไม่มีใครจะ ม, ม, ม, มีพระเมตตามากมกว่าพระพุทธเจ้าเขาทรงสงเคราะห์ไปเมื่อมีใครมาเวลานั้นทูลเป็นที่สบายมากถึงขนาดอุจจาระจิตตระกูลกรรมก็กระสบายช่วงระยะเท่านั้นเป็นสบายแล้วเห็นได้หากชาวโักอาหารที่สุกที่เหลืองแล้วท่านจะหวังอะไรกับขันหวังอะไรกับโลกหรือไม่อันไม่มี ท่ไมาอยู่ด้วยความหมังไปด้วยความหมังนในยบททั้งสี่ไม่มีอะไรเรื่องความหมังไปเกี่ยวข้องท่านเลยถ้ามันมีสิ่งมายุ่ยงเหยงวุ่นวายถ้าพูดตมามภาษาโลกเราก็ไม่ลําคาเลยต้องลําคาแต่ท่านลําคาไเหมือนเราลําค้าอาหารท่านลำคาญไม่ลําคาแต่นนเลือกกิอันนั้นที่เละเป็นจะยังไม่สะดวกเกี่ยวกับเรื่องขาดลงคัน วันเรานี่ก็เป็นที่เกี่ยวข้องของประชาชนกษัตริย์ยังไเราก็เคยเป็นคารวะเนี่ยเดวมเคยเป็นเคยเป็นมาหาที่เกาะที่เจียวที่เขาลบนับถือที่ไหนเป็นที่ยขาลบนับถือก็เป็นมาเองตามาะไรแห่งผลอันนี้เป็นอาณาสายของเขาเราห้ามไม่ได้ที่ไหนเข้าใจว่าเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่เนี่ยใจเป็นที่อบอุ่น ก็ไม่ว่าฆ่าว่าคาะวะแน่ด้วยท่านก็ต้องไปแต่เรายังไปเพราะฉะนั้นสิงนี้จึงเป็นอัจริยะสายแต่ถ้ามึงว่าทำไงผมนั่นนงพลิกนุนพลินี่ผมจะตายผมก็ทนเอาเพราะเพื่หัวใจคนปกติดมาฉันแล้วหายเนี่ยไปเลยมิจฉาบมาถึงพุ๊บปักจัดฉันนั่นหนีไปเลยนี้ไปเลยดูคนเดียวี่จันัท์จะนอนจะทําอะไรอยู่มันสบาย ก็ไม่มีอะไรมายุ่งกวนให้รับสารนับสารนี่ด้วยให้กดถ่วงในลน้ำเวลาตลอดถึงชาติขันให้นับความไม่สะดวกไปด้วยแล้วก็สบายเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องนั้นแต่เมืก็ทําไม่ได้เหมือ น, นคนมาให้เร า, านี่เหมือ น, นกันถ้าเราไม่ทำไม่สบา ย, บา ย, ยผู้ที่มาหาผู้ที่คอยรับเขาเขามาเกี่ยวข้องกับเราจะปฏิเสธไปเลยว่าท่านอาจารย์ไม่สบายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันก็ ที่ถูกพวกคนอยู่ใครที่สาประลบ ก, กับเราส ก, ก่อนยกตัวอย่างเช่นพวกนายท่านตําหนิเอ็ดเดมา น, นั่นหามุ่งมาอย่างเป็มท้ายนี่เบา้าจะมาอยากจะพจะบจัดจักวาจันอย่างนี้พอดีระยะนั้นเราไม่สมัครถ้าจะไปหาเราไปทุศาเราก็ยังไม่เห็นเราเดินมานี่ถามเรื่องราวแล้วทราบแ ล, เแล้เราก็เลยให้เข้ามามาได้ทราบเรื่องราวได้ทับเดี เรื่องนี้ต้องรอบครอบเราจะเป็นแบบเข็นกรงก็ไม่ได้พเพราะไม่จะมาคนาการจนให้ยุ่งเลยไม่มาเกี่ยวข้องเลยมันก็ไม่ถูกองค์พิสาพระละไปกับเราเมื่อเราสั่งมาแล้วอย่างไรนั่นแหละที่นี่ไม่เป็นอะไรนะเพราะเราเป็นผู้น้อยพอยปฏิบัติตามคํามหูวหน้าที่พูดควรหรือไม่ควรย่งให้เข้ามาถ้าปัดเขาทีเดียวทีเดียวนะั่นก็ไม่ นอกจากว่าป่วยเต็มที่ไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะรับแขกอะไรๆได้เลยต้องอยู่ด้วยความสงบท่าเดียวเท่านั้นทําธุระเกี่ยวข้องกับประชานไม่ได้ฉะนั้นเราจะบอกอย่างั้นก็ถูกให้คิดผู้ทินมาอยู่นี่พอดีเราคอยหนึ่งถ้าไมกระหลาดมันก็เสีย น้ำใจเป็นของสําคัญมากขึ้นกินอะไรเป็นของมีคุณค่ามาก <c oughs> เราหมายน้ําใจคนมาเกี่ยวข้องกับเราเราไม่หมายสิ่งอะไรโรคนี้คิดดูหนังสือเราเขียนทุกเล่มมันเราเคยจําหน่ายที่ไหนเขาเพื่อนน้าใจเขาไมาให้เป็นเล่นเป็นเงินแสนว่าอะไรไม่ใช่คุยเขาเอาซื้อที่กรสิทเราไปพิมพ์จําหน่าย เป็นเงินแสนหัวย่าเป็นเงินแสนเลยเป็นล้านๆอาจารย์เอาไม่ได้เราบอกเพราะเราไม่เห็นคุณค้าเงินล้านที่หัวใจคนเขาเดินใส่ปากหวานนิเถิดระหว่างนิดแล้วก็เดินนุ่งหุ่นหมานี่ไม่สนใจสิ่งนั่นทําว่าเขาซื้อกรรมสิทธิ์นั้นเราไปแล้วโดยที่เราเห็นแต่เงินเจียรทองเขาไปขายเงินหมืองเท่าไรขายจนกระทั่งถึงปุ๋ยปลูกเต่าล้านเหรียญที่ไหนเขาเป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไปเงินชุดๆกี่ล้านแต่ละเล่นหรือเล่น นั่นเขาหวังเงินล้านในหนังสือแตเ่เล่มๆนี่เพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าซื้อเป็นชั้งแสนหนังสือแต่เล่มนี้น เ, เ, เป็นครรมธิมของเขาแล้วเนี่ยเขาจะขายเล่มมันเท่าไหร่ใครจะว่าเขาถ้าเราคิดเห็นแตเงินงนั่กอนตัดหัวใจประชาชนที่มีคุณค่ามาลงไปโดยลำดับไม่เกิดประโยชน์อะไรนี้เราจึงทําไม่ได้หัวใจเราไม่ไม่โจอ ม, มัน ทั้งหลายก็กพูดได้ถ้าว่าเหมือนทั้งหลายก็จะ ท, ท, แบบทั้งทาแบบท่านทั้งหลายทำกันก็ทํำทั่วโลกหนันงสือของใครเล่มไหนที่ไม่มีการจําหนา่ายวันนี้กำลังขายเป็นการหน้าทั่วตลาดเล่มไหนอดีตของอาจารย์ไหนอดีที่ปรกากฏชื่อนามมิได้าขายอยู่เราทำไมไม่ขายมันก็อมาจากงวดให่ความรู้สึกมันต่างกันก็ต้องการแสดงออกก็ต้องต่างกัน เราทําไม่ได้ทํามั้งเราทำไม่ลงของในวัดไี่นนไดีดูสิขายด้วยงานอะไรขายได้เราทําไม่ได้เราทําไม่ลงเลย mm. ถือว่าใจเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาคนมาเจ็บขพอข้อรัฐบาลพันกับ ก, ร า, รการใดก็ให้อยู่ในควำนิยัยของเราก่อนอื่น จะตัดไปได้เดียวๆก็ไม่ถูกแบบเถงโกงใช่ไม่ได้เสียหมดยิ่งโดยอย่างาพระอานนทพรพุทธเจ้าเราแต่เราไม่เอาไปเทียบพระพุทธเจ้ามาเป็นเมื่อนพิ่จะนานในพระเมตตาของพระพุทธเจ้ามีส่อสัตว์โลกขนาดเทียบเต็มที่แล้วในคืนมันนั้นจะต้องปรินิพพานข้างแต่ที่สุภะ ธรรมมาจะมาถูงถามปัญหาจุพระมูลข้ามไว้มันอย่าไปรบกวนพองคในเวลานี้กำลังทรงลาบากมากพรงตทรงทราบรับสา้เข้ามาดันถี่เรามาสถานที่นี้ขอเกี่ยวพรามนี้เป็นอันดับแรกขมให้เธอเข้งมาเวาจะทุนถามปัญหาพรงมากมายก็ให้ย่นเวลาเราจะเข้าจำเป็นจำเป็น้ณจงประทานโอวาทแล้วข้าพติบติ ในเดี๋ยวนั้นจนเป็นปัฏิมสาวกคืนสุดท้ายองค์สุดท้ายเราจะเรียกว่าพร้อมกับการปริญพาน์ของพระองค์ซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายก็มาถิง น, นั่นแหละโดยที่พระไม่ต่างผมนี้ถึงเราไม่มีความความสามารถเท่าดแลวผมเหมือนพระโอเทจ้าแต่ความเหนเกิด จิตใจของคนก็มีคุณค่าแลเราก็มีอยู่ในใจข <c oughs> อง เ, <c oughs> เ, เราเช่นกันควรจะอนราะได้แค่ไหนก่อนต้องการไปน่าเหน่อยลาคนเราจะต้องควรจะพิจารณาให้มากยมอย่างเป็นร บ, บเบียนเรง ผู้เป็นธรรมเป็นยนี่นิเคารพกันตามอายุพรรษาอุโศภันเตนแล้ำยังไม่แล้วลำใหญ่ที่เคารพบันโดยธรรมมันเป็นหลักใหญ่ใหพูดถูกต้องให้ยึดเป็นหลักยึดเป็นคติหรือยุติในข้อสงสัยธรรมผิดอันจะเป็นเหตุท้งสิ้ ความทะลักวิานลึกหัดเรื่องจิตใจกใ็เกิดขึ้นเพราะความ่ยอมลงกั น, นในเหตุผลเป็นหลักรูเติดผู้น้อยผู้ใหญ่พูดไม่สำคัญสําคัญที่ความถูกต้องตามหลักเหตุผลตามความจริงความจริงเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากคือถรเราะมาถือายุการตายให้เหนือ ความกินคือธรรมนั้นะเป็นความผิดอย่างยิ่งอย่าให้มีในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้ในวัดป่าบรรจารย์เราแก้ไขทันทีตัวค า, ารบธรรมแลให้แก้ไขตัวที่ผิดมานนะตัวเห็นแก่ตัวออกทันทีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราตั้งใจมาถึงมากที่เลือสาธุวะ ยาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของจำหยาบแสดงออกมาเหยียบหัวเราออกมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็ทําให้ลําบากศากระจายไปเหยียบหัวหมูหัวเพื่อนที่อยู่ร่วมกันตลอดถึงครวอาจารย์ให้แหลกเลี้ยวประหม่ามันเป็นความเสียหายอย่างมากมายและเป็นความเลวทรามอย่างมากที่ไม่น่าอภัยเลยนีอยู่เนี่ยตัดใจต้องเปลี่ยนต้องขัง เดไหนมันก็ไม่สุดข ม, มานนานในวันนี้นนนพูดทั้งน่อยเด็กก็คอยตือนมันนะเด็กไม่รีบรุ่นลามะอันไหนไม่ควรให้บอกใครฝืนให้มาบอกเราเด็กนี่มาอุรมกับพระไม่ได้มาเป็นใหญ่กว่าพระเพราะที่จะพระจะบอกไม่ฟัง อย่างนั้นไม่ได้ผิดตรงไหนให้บอกคิดใจเหตุผลมีซ่าฟัางจะเด็กมันไม่เอยรู้เรื่อง น, นี่งเร้าอะอันไหนที่เกี่ยวกับเด็กผู้พระเนที่ช่วยทีนีพิุงนาช่วยกันถ้าสอนเด็กไปยังไงก็อย่าให้มาเกี่าากยวกับผมนะเพราำบาก พออย่างนี้เช่นขนั่งก็ไปในขูนต้องแบบผมจำจำสาปแชางที่หน้าลำคาญมากไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของพ้ะที่อยู่ด้วยกันจะคอสอดส่องดูแลเขามาอาศัยมีแต่คนแก่ๆนั่นเราก็ทำด้วยความเมตตาเลยเมื่อมีเด็กพอช้าอยู่แล้วก็ท้าเด็กถ้าคนที่จะกำกับ อันใดอยากจะไปถือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของทุกคนที่รับผิดชอบด้วยกันในวงวัดอ่นี้อันไหนที่เป็นหน้าที่ของผมผมก็ทำของผมเองดังนั้นการภาวนาเป็นสำคัญผมพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกเต้นกำลังความสามารถเพราะผมเป็นหัวหน้ารับหมู่เพื่อนด้วยเหตุผมทุกอย่าง วการสั่งสอนหมู่เพื่อนนึกการพิจารณาเดี๋ยวก็เริ่มหมู่เพื่อนอมผมจะนอนใจไม่ได้ในเแง่ใดที่เป็นอัดเป็นธรรมต่อมือเพื่อนในรับความสะดวกสบายโดยความเป็นธรรมแล้วผมจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้แม้ผมเองที่ว่าเป็นหัวหน้านี่ก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมมีงหน้าเหนือหมู่เห น, นือคณะอืมเป็นอมีอำนาจใงนั้นใน น, นี้เป็นความสำคัญตนขึ้นมาอย่างไดโดยที่จะรู้ดาว่ากล่าวบังคับบัญชาหมู่เพื่อน ตามใจชอบของตนโดยหาเหตุผลหลักทำอะไรมาได้ไหมผมทําไม่ลงเพราะความรู้สึกงผมไม่เคเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมดาอย่างความรู้สึกที่มันเป็นอยู่ ป, ปกติผมก็ม่อนฝูงบางก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันทําอยู่ศูนย์กลางแล้วใครก็อยู่ศูนย์กลางด้วยกันหมดไม่มีใครจะเหนือใครภู้มุงทาผู้มุง ม, มาปฏิบัติคอยรับความกินจากการท่านั้นผมไปที่พอจัดนั่นแหละ คือหลักธรรมแท้จริงนะการยึดกันการพิบัติกรรมนั้นการภาวนาทุกวันนี้ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนไปที่ไหนมันก็มีแต่เรื่องุ่งเหยิงวุ่นวาก่อขวนให้เรารับความสะดวกสบายไม่ได้เพราะอย่างยิ่งกับพวกขวนบ้านข ว, วนเงิวนโรคขวนสงสารคือพวกคนนี้มันมเงินเนื้ออันนี้ควนไปอยู่ไหนก็ไม่สะดวก ผมอยากให้หมู่เพื่อนไปเจอียเวี่งนักให้สะดวกสบายเป็นการเปินเวลามีเพื่อนฝูงที่เป็นหลักเป็นเกณฑทางน้าจิตใจพาทำไปได้สะดวกสบายสถานเที่เมื่อคิดแล้วมันก็ใจมันก็สดเข้ามามันถึงมีเหตุผลที่จะทำให้หดเข้ามามันเลยไ ม, ม่คืบหน้าจะหยุดชะงักชะงักจะคิดทีไะทีไรอาจะเปลีป่ยนซ บรรยากาศที่วัดนั่นวัดนี้อะไรนี้เหมือนก็เคยเห็นแล้วแล้วไม่ประมาทแล้วไม่ดูถูกว่าใดเหมืนเห็นด้วยตาอยู่แล้วนี่ผมไม่ใช่คุยข้าวที่ผ่านมานี้ส่วนมากมันก็มีจต่สำนักที่พระที่ออกไปจากสำนักนี้พอยอยู่ด้วยกันไม่สะดวกสบายเหมือนเหมือนกันสะดวกสบายเช่นอย่ า, างวัดท่านหินทอง วัดอุทกคุดวัดทพียงวัดดวงศิลจ่นภูวทดดงศิลนูท่านภุยังเคยอยู่กับอยู่กับหลวงปูขงป่ขามนุกงกอตาแต่ตัดมาการทรามหาสูตรก็เป็นไปอยู่เสมอแล้วดูว่าน้องแซงด้วยท่านมานี่ก็เข้าออกนีก็ เ, เป็นเหมือนทาเด้นานกายทางด้การปฏิบัติ รัฐวัวัดน้องแซงพอให้เกิดความสงสารนตาเรื่อมสายกระทุกตาสงสารเป็นความสนิทใจก็มันก็มีเท่า น, ไไ น, นั<ม>้นจต่ว่าเห็นว่าทําวงเพลนก็ผมก็ น, น้อมกราบดูท่านอาารขาวทอนนั้นเพรางั้นผมพูดไม่ถูกพูดไม่ออกยังไงฟังอะไร แล้วก็ยิ่งกว้างขวงางออกไปแล้วนะจะให้พูดไปไหนอีกบางสถานทีบ่บางแห่งก็ไม่ค่อยเข้าใจทางการปฏิบัติบางท่ันสิกิตนาบีอยู่อย่างนั้นก็มีเดี๋ยที่เข้าใจก็เข้าใจแล้วทำตัวเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันน่าเกลียดมาก แล้วถามว่าจนไปที่ไหนก่อนพากันเรื่องความภักเดียนสถานที่นี้ถึงผมถึงกว่าเป็นการควรหรือเหตุผลต้งควรที่จะควรไปที่ไหนผมรักผมต้องวนเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมมากมาดีกว่าสิ่งใดนะผมไม่ไม่มีความรู้สึกที่ว่าจะคิดกักการเพื่อนฝูงไว้ให้มากในวันนี้เพื่อการงานอะไรจะได้รับความสพดสดรมายผมไม่มีเลยมีมุ่งต่อเพื่อนฝูง ทหลายด้วยอดด้วยทำเพื่อทาหน้านจิตใจโดยเฉพาะเท่านั้นผมไม่คิดอย่างอื่นว่าเพื่อนผมไปแล้วจะไม่มีพ่ามีเยน็นได้อาศัยายช้านี้ชา้านี้ผมไม่ได้คิดอะไรพอที่เป็นอุปสรรคแกทําข้อที่จะให้ท่าหลายได้รับความสะดวกสบายเพราะผมได้รับความสะดวกสบายเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่ามาอยู่กันมองดูหน้าหายเฉยเป็นความสะดวกสบายดังนั้นผมไม่ประสงค์ อนี้มันจำเป็นมันหาที่ไปไม่ได้ก็คิดแล้วก็อันู่อยู่นั่นอันดุอยู่นั่นหนึ่งมันมีโอกาสอันควรที่จะไปเพราะนะครับมันได้ความเพียนตามฐานที่ตัางตนเช้ามันจะมีลำบาบ้างอย่างที่ว่านี่ยคบนวุ่นวายบ้างเดียก็ต้อฐานที่ผู้คนมาเกีข้องผมกันนั่นก่ระกอบภา ยันตามให้ล่ๆๆๆๆาเหมนล่ายิ่งกลางคืนไปแล้วไม่มีทุลอะไรเลยต่างๆต่างๆาทำภาพเปเท่านั้นเป็นสิ่งที่กบกุนไว้ใจได้ถึงเป็นถึงตายตลอดกาลในนอกนั้นหาสาระไม่ได้และยิ่งโลกปัจจุบันนี้ไยแล้วมีแต่ปุยแต่ไฟจาพากันเถอในจิตในใจว่าโลกนี้จะมี ความผาสุขจเจริญรุ่งเรืองมันจเจริญตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงราคะอันหาเท่านั้นเซึ่งเป็นไฟอันร้อนรุ่งรุ่งขัจะเผาจิตใจของแต่ละดวงระดวงตลอดถึงโลกทังสามที่มีความเดือดร้อนไละคิดผาดตามกันเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจสิ น้องชูบีไม้ดูนี่เราวเจ้าสองเองน้องไม่ไปอะไรดูดูนี่นะบอกแล้วคนไม่ทังสองคนทั้งหมดเลยนะเอามาอย่เรื่อยน้ำพี่ไม่ดูมีครับดูมีเห็นการอะไรมังพอจะดูส่วนมากผมดูเรื่องค่าเรื่องฝันกันเพรา ะ, สะแาสดงถึงจิตใจโหดร้ายทางเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำตอนนั้นมันม่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองไยแล้วผมไม่ยุ่ง นักจะดูเรื่องต้นเรื่งขี้เรื่องขาเรื่องข่ากนที่นี่แล้วก็ออมาพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำก็มีบางสมบัติอะไรัญญานังคาแสดง สติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทุกียาบทไม่ถ้าขาดสติแล้วไม่เรียกว่าความเพียรจังห้ถึงใจสติเป็นของสาคัญมากฝืนต้องฝืนีิเดียเป็นสิ่งลุกล่างอัตถธรรม เราต้องฝืนเราต้องต่อสู้ด้วยอัดด้วยทำเพื่อให้สิ่งลูกน้ำ ม, มันเป็นของไม่ดีนี่ใน้กระจายหายไปความสงบสุขของใจจะได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเต็มพระกำลังความสามารถบรรดาผูติถึงขัน้นวิเศษมิสมส่วนมากมีแต่การต่อสู้ม า, มาแบบเอาเป็นาตาเข้าว่า เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เคยอ่อนข้อต่อผู้ใดมัติมาปฏิปทาที่กระทานวนันนี้จะไปอ่อนข้อต่อที่เหลวมันก็ไม่ทันทีเหลวที่เหลวแข็งก็ต้องแข็งไปตามแข็งขนาดไหนถึงขนาดชีวิตจะตายไปเรื่อยเอาก็มอกเลยนั่นเมื่อมันอ่อนลงไปมันก็มันก็มีเครื่องมือเครื่องมืออันึ่งมัติมาขั้น ตามเหตุการณ์ที่กิเลสแสดงออกมามากน้อยหนักเบามัชฌิมาคุอสติมีสติปัญญาเป็นต้นมันก็เป็นไปตามนั้นความเหมาะความควรพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเทราบว่าพระเจ้าอยู่หอวทรงส น, สนพระไทยเรื่องมัชฌิมาของเรามากเดียวมัชิมาท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่เหมือนใครเลยนะ นี่แต่ในหนังสือามาชิมาปฏิปทาเดินกรรมทางสายกลางไม่ยืมนักไม่หย่อนนักนี่แต่อย่างนั้นมาชิมาอาจารย์ตรงนี้ถึงเวลาควรจะตายแล้วมอบเลยวถวันเพราะทีเด็ดมันหนักมันมีกาลังมากมาชิมาจะทํำล่อยๆหย่อนๆไม่ได้เอาชีวิตคเขาแลกกันเลยอังแล้วไม่มีครเหมือนแบบนี้นรู้สึกว่า โผล่มากเอาจารย์ไม่ดีมาันน้นระฝุ่นอยนี้เหมือนกันโอ้ทรโผล่มนะากถ้าเป็นอย่างทั้งหลายก็เล็กเข้ามาด้วยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, ม น, มนมผมก็มีถึงส่วนรวมนู่นวันก็ตาจาบอกดมาักที่วันหนหนึ่เด็กุนทันนะระหว่างคนส่วนเด็กก็ เราทราบดีเร the ื่องไอ้ประเด็นประทมากเขาบอกโกงข้างมโกงข้ามมีทั้งครับทังบริษัทบริวารของาระในหลวงตรงเป็นหัวใจะชาชนทั้งประเทศทั้งอาหารกายทั้งบริษัทบริวารของขันธ์กายทั้งธรรมเนบริษัทบริวารรวมแล้วศัตดินามทั้งหมด แต่พยายามที่อยู่ในวงศัจนา น, นั้นหมดพระชายก็ลงอนเพราะฉะนั้นถ้าว่ไม่ควรเหตกอย่างพวกเสอ็ระนรัตป่มั น, น า, า, าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำงานเพื่อโลกเหมือนกันเราได้คิดเต็นถึงแลวพระองค์เสด็จปัจหุบนเราสร้างได้ดีแต่ก่าเราคิดไว้แค่นี้เหมือนกันในเรื่องแบบนี้ทีนี้เหตุสถีพะยานต้อก็รแสดงออกมาให้เราเห็นชดเจนว่าความที่เราคิดไว้นั้นไม่ผิด พระองเสดไปที่ไหนจังหวัดลำเอียงน่ช่างทีนี้ก็ออกมายิ่งชัดเจรงคเหมือนกันว่าไม่หลงหลงอะไรเราดูมันดูนะปว่มาหลงมัวมอหลงกรรมฐานมัวหลงอะโอ้ยก็ทรงยอมว่านนั่นแนี่เป แต่ขอะเราถือ hmm. อ yeah, yeah. yeah. hmm. mm. ันนั้นโลกโลกแผ่นดินเราก็แยกเป็นระเภ่หนึ่งสมเด็จพระยาแสงเราก็แยกเป็นระเภ่หนึ่งเรายอมรับก็ะต่างกันเหมือนกันเนี่ยเ็นยังไงผมไม่ดีดีไปในหลวงด้ คำหนึ่งทังเหตุผลหนึ่ง่งทั้ส่วนรวมทั้งมีจำนวนมากยิ่งขวางในหลวงก็เกิดขึ้นมาไดเฉพาะย่เเรื่องของโมรงเรื่องของโกระซึ่งไม่จะเป็นเรื่องใหญโตยิ่งกว่าเรื่องของแผ่นดินต้องคิดอย่างนั้นเพราะแล้วมีอะไรผูหวังเพื่อเราไงนั้นผมกล้าพูดเลยตั้งแต่ก่อนว่านายหลวงมันจะยังไม่ได้อ่านหนังสือเราเพราะเฟังเทศเเนียนานนั่นแหละ อันนี้หลวงท่าท่าประชาชนหลวงถ้าเป็นเด็กระรามเจดีต้องมีท่านจาครับต้อนิีดุมากมันเราก็หวงมีพระาชินีวางมันกันแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังคนเาก็ระวังอะไรอะไรแนี้แล้วก็บอกขนาดในหลวงกับต้นเด็กพระราชเีพระาตุปินประราชะวางหลวงตาบัวจะไปดุนี่เป็นไปไม่ได้ขออย่านี้ ตัวให้ประทับอยู่สงบสบายเถอะนอนอกจากมาเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะมาเกี่ยวข้องในวันดหรือสถานที่ใดโดยเหตุด้วยผลด้วยโดยธรรมเมื่อขัดแย้งกันที่ตรงไหนนั้นแหละกาจะดูด้วไม่ดูก็ตามมันจะเป็นตอนนั้นนะถ้าอะไรขัดแย้งกันแล้วมันจะต้องเปิดขัดแย้ตออยงต่อเหตุต่อผลอับถมคนจะแสดง ออกหนักเบามากน้อยจะมีได้แน่ๆตรงนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะทำเราถือเป็นสิ่งที่สูงสุดในโลกนี้ไม่มีผู้ใดในโลกนี้จะ เ, เหนือเหนือถัดเราจึงเทิดถู น, นที่สอันใดที่ขัดข้องหรือขัดแย้งต่อทางเราจึงยอมไม่ได้แล้ว่นะน่ะก็จะโต้แย้งอะไรจะตุดาอะไรก็บสิ่งในหลวงมาเกี่ยวข้ อ, ของกับเราครับพอมีเรื่องขัดแยง้งอันนี้จะต้องเป็นไปนแน่ๆรับบอกแม้ท่ามาพรมก็เถอวิด จะต้องขัดกันแน่ๆหนักเบามั่ง่าจะเป็นประจำผมบ้างธรรมดาให้ดูนี้ไม่มีทางเลต้องหงายหัวเลยนี่เฉยไปดูกันวันนี้ผูกพอนาวันมี้น้อยนะ พอหาอาภรมีน้อยหาเงินมีมากมีหาดกรรมฐานเหล่านี้พื่มาพมีน้อยนะหาเงินมากพูดนี้แต่เรื่องเงินเรื่องทองม่อีอาภรณ์ทำพยาจะได้ออกมีแต่เรื่องเานหาเงินเถงเงิน ยังน่ายังทมบีบบังคับจิตใจของผู้แสดงทําให้การผู้แสดงหนึ่งไปได้โดยมีรู้จุกตัวมีเอเรื่องนงต้องมัมดเอามาให้สิ่งเหล่านี้มาหย่อะย่ทํลายใใจิตใจวัตถุเขาสมมติเอามารกระดาษแขนงมันเป็นตื่นบ้างไปขาดความนิยมที่เท่านั้น เอามามบุหรี่สู้ใบตองกล้วยแห้งก็ไม่ได้หนเชียวจะตายหลงบ้านอะไรก็หนาสีอะไรแต้มมันก็สีก็มีอยู่เต็มโลกนี่แล้วสีอะไแต้มกระดาษลงไปล้วนั้นเรามีกรดาษไปหลงว่าเงินตอนั้นหนาหนิหนาเป็นร้อยเป็นพ เ, เป็นหมือนเป็นแสนเป็นนับเงินตะกองกระดาษทนงานอาศัยใจรูการชั่วเวลาตางของมนอเยวของโลกทำงน้น เป็นคุณค่าอะไรยิ่งกว่านั้นไปมันเป็นไม่ได้กระดาษตัวทำไม่มีคุณค่าขนาดไหนที่ดูพี่อืสามารถที่จะชุดลา่าจิตใจให้พ้นจากทุกไปได้โดยสิน้นเชิงถึงความมิเศษที่โสของผู้ปฏิบัติถึงความมิเศษที่โสแห่งธรรมถึงขั้นมิเศษทโสแห่งอิตเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยทําหนั่นคนะือคุณภาพของธรรมครับคุณภาพของ กรดานนี้มันต่างกันเพราะว่าั้นยัญญาณมาแยกขึ้นได้ในเรื่องสิ่งีแต่มาทําลายทำภารใจทีเเ่เป็นเงินเป็นเงินเหรียญจริงๆมันก็แลดันน้งอันหนึ่งๆเท่านั้นเหมือนกับแลดัางทั้งหลายเศรษฐาเนี้มันเงินนี่มันทองคําก็ว่าเทียกันไปน พระอาทิตย์มันก็มีแสงพระจันทร์มันมีแสงดาวมันมีแสงและธาตุต่างๆมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาเหมือนเดี๋ยไปหลงทำนมตืถ้าเราไม่ถึงบ้ามันตืนอ่าเรียนแล้มันถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรนี่ตัใจนี้ตรงเดียวตเนี้มันเป็นบ้ามันดิ้นพอทาละอันนี้แล้วมันรู้เรื่อง ความเคยความถนองของตนด้วยสติปัญญาสตาความเฉลียวว่ามันจะเห็นความจริงไปโดยดําๆดับแล้วมันปล่อยแล้วมันอะไรจะวิเศษวิโสขนาดไห น, น, นก็เธอว่างั้นเลยอใ น, นโลกนี้ก็คือกองสมมุติเตาดีๆนี่แหละอันนี้กองนี้จังทูกขงังรักษาดีซึ่งเป็นทางจะเยียบผ่านไปเพื่อสันติธรรมถ้าผู้ชนะนะถ้าผู้โง่กับสิ่งนี้แหละมันจะมาพอกทุมือหัวใจมัมจะมาเป็นเชื่อกเขา เราให้ทิพยหายเป็นผุ่ยผมไปกับพ่อสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราฉะนั้นเรายัางโง่พระพุทธเจ้าใหไมนโง่สอนเราให้ฉลาดเราจะไปหลอกคนมายาของโลกหรือมาปฏิเสธธาตุขันธ์ร้องก็เป็นโลกอาถัายพ์มันไปตามความจําเป็นนี่ถูกต้องตามธรรญยาถ้ามันเลยความจำเป็นนี้จะกลายห่างเป็นความตีนเรียาบ ลืมอัดลืมทำไม่ได้เห็นจริงตอนนั้นเป็นของดีไปเสียนั่นก็ะคือการทำลายตัวเองุดแัง ก, กันนิดเดียวป่ะสมมุยาอธิบายผมช่ไหมครับอธิบาย